วันนี้วันที่ที่สิบแปดธันวาห้าสองจะไม่กี่วันข้างหน้านะก็เป็นวันปีใหม่แต่ว่าปีนี้อากาศหลวงพ่อว่าพอดีพอดีนะคือไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนแต่ถ้าลักษณะอย่างนี้คนโบราณเขาว่าฝนปีหน้าจะไม่ดีนะถ้าลักษณะอย่างนี้ถ้าว่าอากาศไม่หนาวถ้าว่ามีอากาศหนาว คนโบราณเขาทายทำนายทายทักว่าปีต่อไปเนะี่ยฝนจะดีแต่ถ้าคำว่าลักษณะอย่างนี้คนโบราณคนรุ่นเก่าเขาว่าโอ้ฝนปีหน้าเนี่ยกลัวจะฝนไม่ดีแล้วมันไม่หนาวฮะคนโบราณเขาจะจะทำนายเป็นในอนาคตคือเอาปัจจุบันเนี่ยงั้นแต่ปัจจุบันทายในอนาคต คนโบราณเขามีอะไรแปลกๆเหมือนกันนะคนแปลกๆอย่างคลื่นใตน้ำอย่างนี้สินามิยนีแต่ตามไจริงพวกเราได้ยินจนเคยชินว่างั้นนะนะจนเป็นประเพณีคำว่าคลื่นไตน้ำแปลว่าคนไม่พูดออกไม่พูดทางปากว่างั้นแต่สะสมกัน เพื่อจะโค่นล้มอันใดอันหนึ่งคนใดคนหนึ่งหรือว่าจะเบียดเบียนผู้ใดผู้หนึ่งแต่เขาจับกลุ่มกันถึงเวลาแล้วก็โผล่ขึ้นมาโดยโดยที่คนนั้นไม่รู้จักคนโบราณก็เลยวอกคลื่นไตน้ำเขาใช้ศัพท์ไหนมาพูดเนี่ยแต่เราไปมาเห็นคลื่นน้าโขงบอกคลื่นหนองน้ำก็ไม่เห็นจะน่ากลัวที่ตรงไหนคลื่นใตน้ำ ไม่เห็นจะน่ากลัวที่ตรงไหนมือนกันแค่นั้นแค่นั้นแ่ะแต่เป็นคลื่นคลื่นสึนามินะโอ้โหเห็นลิศเลยเหมือนกันแต่อันนี้คนโบราณก็คงจะเคยเจอมาก่อนเหมือนกันนะอคนโบราณโบราณะเขาคงจะเคยเจอคลื่นคลื่นอย่างนี้มาก่อนเขาจึงมีนามศัพ์ว่าคลื่นไตน้ำํำมันฆ่าคนได้จริงๆฆ่าคนได้เป็นบือเลยเหมือนกันแล่คลื่นไตน้ำํำ อันนี้แนหะสับโบราณเนะี่ยเปแปลกเหมือนกันนะถ้าเรานำํำทามันเจอขึ้นมาแล้วเราจะค่อยนํามาคิดดนะูเมื่อวานหลวงพ่อเดินไปทางหลังวัดอขึ้นไปทางนูนะ่น่ะทางสถานีขึ้นไปพักสถานีหมูป่าตัวบ้าใหญ่ยังมีอยู่หมูป่ายังมีอยู่นะในวัดเราเนี่ยว่ะวิ่งผ่านหน้าจุดไปเลยถ้าหลวงพ่อให้ช่างนําหนักนะ ลงพ่อว่าหมูตัวนี้ไม่ต่ำกว่าแปดสิบกิโลเลยอย่างน้อยว่างั้นเถอะเพื่อเผออาจจะถึงร้อยกิโลมันถึงเกือบเพียงเอวเลยว่างั้นเอะหมูป่าตัวน<อ>แต่ตัวไม่ยาวไม่ยาวอาจจะมันเวลามันวิ่งอ่ะมันอาจจะหดตัวเขาก็ได้ว่างั้นเ่ะแต่หมูใหญ่หมูตัวนี้ใหญ่ทีเดียวค่อนข้างใหญ่ว่ง้แต่ไม่ถึงก็ใหญ่มากเหมือนแต่กนก่อนแต่ค่อนข้างใหญ่แต่ไม่ตม่ำกว่า แปดสิบกิโลหมูตัวนี้โอ้มันยังมาวิ่งอวดตัวของมันอ่เอ้ยหลวงพ่อผมยังอยู่น ะ, ะเมื่อวานนี้พอหลวงพ่อไม่เห็นมันนานลเลยพระท่านก็เอ๊ะหมูมันยังนึกยังเหลือหรือเปล่า เ, เห็นสมัยหน้าฝนก็เห็นตลอยห่างๆจะไม่เคยเห็นตัวมันแต่เมื่อวานเห็นแล้วโอ้ตัวบ้ากใหญ่วิ่งผ่านหน้าหลวงพ่อไปมนเมื่อวานนี้จัดเลยงั้น เสียงครอกเสียงนกเสียงครอกร้องเสียงสนั่นบันไวยเนะยเพราะมันวิ่งผา ด, ดงพงภยัยต้นไม้เสียงสนั่นไปงั้นเสียงครอกร้องเป็นไท้ายไปงั้นดูๆแล้วก็อยู่ในป่าเห็นธรรมชาติแล้วก็อมืมองอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะเหมือนกับเป็นธรรมชาติเป็นป่าดงพงภัยหาดูได้ยากเหมือนกันดั่เงงมื่อคืนก็ได้ยินเสียงแจ้งร้องอีก ไปพักหลวงพ่อไปพักทางหลังวัดเก่งร้องลนะงมาก็เห็นนกเป็ดอยู่ในสระน้ำอีกบินขึ้นเป็นร้อยเหมือนนหลายร้อยตัวนะแต่น่าจะลงเป็นพันนะในวัดของหลวงพ่อเนะี่ยนกเป็ดทางหลังวัดมากมันมาจากเมืองจีนทางประเทศจีนมันหนาวแต่พอนา่าฝนหน้าร้อนเนี่ก็ไม่มากเท่าไหร่บางปีก็มีร้อยสองร้อยตัว พอเป็นสายเอาไว้มางั้นแหะพอตกหน้าหนาวในขนาดหลังไหลมาแล้วทนี่ลงเป็นพืชเลยล่องเสียงเจี้ยวเจ้าไปหมดอยู่ทางหลังวัดสรุปแล้วก็คือวัดของเราเนี่ยเป็นวัดสวนสัตว์เปิดมางั้นแหละสวนสัตว์เปิดไม่มีการกักขังปลาในน้ําของพอชงควรมากพวกนกพวกกระรอกกระแตแต่หมูป่าเนี่ยที่มันจะเป็นพิษภัยตะกอนก็ เกือบสองสามร้อยตัวที่เอาไปปล่อยทุ่งกํมังก์100กันร้อยกว่าตัวเกือบสองร้อยแล้วไปปล่อยที่พูหลวงอีกเกือบเป็นร้อยสรุปแล้วก็คือหมูป่าเนี่ยเกือบสามร้อยตัวนะ่ะที่ไปปล่อยออกจากวัดของเราไปแต่ก็ยังเหลืออยู่งหมนกันเหลือคงวยเหลือน้อยมากแต่ว่าเห็นเมื่อวานเนี่นะที่มันวิ่งผ่านหน้าหลวงพ่อแต่ก็คงจะไม่เป็นพิษเป็นภัยเพราะมันมันน้อยเหมือนกันท่ะ แต่สมัยก่อนเนี่ยน่ากลัวนะมีแต่เที่ยวโค้งโค้งมันไม่กลัวพระอีกต่างหากเวลาพระเดินผ่านไปเนี่ยมันมีแต่หัวสุกเข้าป่าเลยเห็นก้นมันชอยมันไม่เห็นพระทั้งนั้นพระจะเห็นมันก็ช่างเท่านั้นะเห็นน่นก็น่ากลัวมัเหมือนกันหลวงพ่อบอกอย่าไปใกล้นะเวลาหมูป่าเวลามันมีลูกลูกมันวิ่งไปทางหนึ่งแม่มันอยู่อีกฝากทางข้างหนึ่งพระอย่าไปเข้าไปใกล้นะให้มัน แม่กับลูกมันไปด้วยกันสจ้ก่อนยังค่อยเดินไปนะถ้าไมอย่างนั้นทำไมได้นะมันจะขิดมันจะกัดพระนะบางทีหลวงพ่อก็ได้บอกสมัยนั้นที น, นี้ก็เลยสบายใจไปแล้วเรื่องหมูป่าแต่ก็ยังมีอยู่แต่คิดว่าคงจะนานทํามันมีตัวเมียอยู่ก็คงจะนานนะคืนจะขยายพันธุ์ได้เพราะเราจับไปมากทีเดียวคราวที่แล้วไปปล่อยภูหลวงจังหวัดเลย เนื้อที่ประมาณหลายแสนไร่แต่เปปล่อยทุ่งกัมมังชัยภูมิอันนั้นหลายล้านไร่แต่ตัวนี้ยังเล็กกว่าแต่พอถึงยังไงก็มีพวกอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาเฝ้าคอยดูแลอยู่อันนี้ก็คือวัดของเราปวกสัตว์ป่ามีมากเมื่อกี้นี่กรทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นพวกสํารวจสัตว์ป่าสํารวจนกนกในประเทศไทยมี นกอะไรบ้างเนะมื่อกี้เนี่ยเขาก็มาส่องกล้องมาดูนกในวัดของเราเขบอกโอ้นกในวัดของเรามีมากเหมือนกันนะมีหลากหลายมีหลายพันมั้อมีหลายพันมีหลายชนิดเหมือนกนะันมีนกมีหลายชนิดหลวงพ่อเอมาดูนกหน้าแล้งก็อย่างงั้นอย่างงั้นแหละถ้าอยากจะมาดูให้มาดูในช่วงเดือนเมษาพฤษภาช่วงนั้นนกมากแต่ว่าช่วงปลายปีอีก ประมาณตุลาพฤศจิกาเนเกือบจะหมดหน้าฝนอันนี้กับนกก็ยังชุมอยู่ถ้าจากนั้นมาหน้าแล้งเนี่ยโดยมากมันจะไปที่อื่นหรือไปที่อื่นก็ไม่รู้มันไม่ขนองว่างันแต่มันอยู่แบบเงียบๆถ้าหน้าแล้งหน้าหนาวเนี่ยมันนกมันอยู่แบบเงียบมันไม่คึกมันไม่ขนองเหมือนกับแมลงแมลงถ้าใครมาอยู่หน้านี้หน้าหนาวเนี่ยแมลงจะไม่ร้องในกลางคืนเงียบ มันก็หนาวเหมือนกันเหมือนกันแต่หน้าฝนเนี่ยไม่ต้องพูดเหมือนกันแต่เสียงโห่กลางคืนเนี่ยไม่ต้องเสียงแหลมต่างหากหลายพันอีต่างหากหลายหลายชนิดนะมันร้องถ้าเป็นหน้าฝนฉนันวันไหวไปหมดหน้าแรงแต่พอหน้าหนาวเนี่ยใครอยากจะมาอยู่สงบมาอยู่หน้าหนาวเหมือนกันเงียบแมลงกลางกลางคืนไม่ร้องเลยแล้วเหมือนกันมันก็หนาวเหมือนกันเนี่ยธรรมชาติของสัตว์ป่า มาพูดถึงมแมลงแล้วก็อดคิดไม่ได้พระฝรั่งอยู่ที่บ้านตากนะท่านไม่เคยได้ยินเสียงมแมลงมันร้องนะปกจิ้งหรีดมันร้องอเนะที่เมืองอังกฤษมันมันมันไม่มีเนะมืองนอกอนะ่ะแต่ท่านมาได้ยินเสียงจิ้งหรีดมันร้องนะโอ้โหมันแสบแก้วหูแล้วเหมือนเสียงมันแหลมนะท่านปัญญาเวลาท่านจะเดินยมกลมเนะ่ยท่านจะเอาน้ำไปหยอดลูมันก่อนเนะ่มน พอมันวิ่งเข้าไปในรูท่านก็นหยอดน้ํำเอาไว้เพื่อไม่ให้มันร้องท่านบอกเออมึงอย่าพึ่งร้องวะเอ อ, เ อ, อน้ําหยอดไว้ก่อนแต่นี้ไอ้จิ้งเรดมันถูกน้ำใช่ไหมน้ำเข้าไปในรูมันมันก็ไม่ร้องเนี่ยจนกว่าท่านเดิยังกรมเสร็จนู่นกลัวมันจะทํำรูมันเสร็จมันจะกลับมาร้องอีกไท่านขึ้นไปนอนแล้วงั <c oughs> ลงพ่อได้ยินหลวงพ่อหลวงพ่อเห็นเนี่ยหลวงพ่อก็ขำํา <c oughs> พ่อพระฝรัง่ง ไม่เคยได้ยินเสียงจิงหลีดร้องอแต่จริงหลีดมันร้องทั้งสามสี่ห้าหกตัวโอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดามันกันนะมันแสบแก้วหูเดินยังกลมไม่เป็นไม่เป็นอันจะเดินเหมือนกัน่ะท่านก็ฉลาดนะท่านปัญญาท่านเอาน้ําไปหยอดรูมันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มันนั่นนะมันก็ซ่อมผูของมันจะมันน้ําท่วมผูของมันเอ๊ะน้ำยังไงมายังไงมันคงจะว่าแล้วงั้นนะแต่ท่านก็เดินยังกลมช่วย พอกั้นขึ้นไปเท่านั้นพอมันซ่อมเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆร้ อ, องอีกที่หลังนะอย่างประเทศเขาไม่มีอย่างประเทศไทยของเราพวกมแมลงอ่ะมีมากอ่ะพวกจิงดิดตกหน้านี่แหละเดือนออกพรรษาตุลาพฤศจิกาในช่วงนั้นจิงดิดมันขนองนแต่หน้านี้ก็หมดไปแล้วล่ะเป็นหน้าหน้าของมันเหมือนกันบางคนคงคนกรุงเทพมาได้ยินเสียงจั ก, กจั่นเลไลมันร้องอ่ะ Э, เสียงอะไรเนี่ยมันเสียงจะว่ากระดิ่งก็ไม่ใช่จะว่าเสียงอะไรก็ไม่ใช่ Neil. เนี่ <_ icker> ยมัเสียง ก, ก, กริ่งมันอะไรเนี่ยมันเอยนี่แหละเสียงป่าจักจั่นเรไรมันร้องอย่างนี้แหละคนไปต่างถิ่นต่างแดนพวกเรามันต้องฟังต้องศึกษาทางนั้นแหละไม่ใช่ว่าเราจะไปที่ไหนเราจะรู้หมดทุกอย่างไม่ใช่นะถิน่นหนึ่งมันมีอันหนึ่งถิน่นหนึ่งมันมีอันหนึ่งอย่างนกเหมือนกันน่ะ นกในวัดเรามันร้องอีกแบบหนึ่งพอหลวงพ่อไปจังหวัดภูเก็ตนะวัดยวนพึ่งเน่ยหลวงพ่อได้ยินนกอีกร้องอีกแบบหนึ่งนกในวัดของเราเนี่ยมันคนกรุงเทพมาเขาได้ยินว่าเอ๊ะนกอะไรหลวงพ่อแลมันร้องอย่างไรวะมันก็มีเนี่ยมันก็ร้องภาษาของมันก็มีตั้งมากมายแต่ร้องมันร้องเป็นคู่กันเอางั้นร้องมันเสียงเพราะดีหั้งมันเราก็ถามมันร้องอย่างไงวะ เสียงของมันมันมันว่ายไงทุนเงินเทพยบปูปลาหอยปูปลาหอยแต่คนบ้านเพิ่มยมบ้านเพิ่มเว้เอา้านกอันนี้เขาเรียกนกอะไรวะถามโยมบ้านเพิ่มเราก็มาเจอที่แรกเหมือนกันที่แถวบ้านตาดไม่มีนะแถวลุงบ้านหลวงพ่อก็ไม่มีเขาว่านกนกควายหายวะ Alloy, มันทําไมวะโนมันฟังฟังที่หลวงพ่อน่ะเนีเวลามันร้องควายค่อยหายควายค่อยหายควายค่อยหายมันวอากันเละเออแต่คนกรุงเทพมาได้ยินมัวปูปลาหอยปูปลาหอยโอ้ยนันนี้หลวงพ่อไปได้ยินนกอยู่ภูเก็ตเท่นั้เนี่ยนกภูเก็ตมันมันร้องมันเป็นจังหวะข้องมันเลยเหมือนกับร้องเพลงไอ้ถอยหน้าถอยหลังไอ เพีงสมัยทุกวันนี้เขาเลี้ยงอะไรเดินเหน้าเดินถอยถอยหลังถอยถอยหลังเดินเดินหน้าเนีน่ยนะลุงพ่อได้ยินลุงพ่อก็นึกเข๋ง น, นกตัวนี้มันคงจะมาเล่นดนตรีแถวนี้มันมาตายแล้วมันมาเป็นนกอยู่แถวนี้ก็มังวะเออลุงพ่อก็บอกกับพวกผูกเก็ตเอ้ถ้าสุเจ้าจับเก่งจับไปปล่อยวัดลุงพ่อสักคู่นะะ น, น, น, นกกระน้ว่าดูดูเสียงเข่าท่ามันร้องไงว่าเหมือนกับเป็นดนตรีอีกชนิดหนึ่งะ เดินเดินหน้าเลยถอยถอหลังถอยแล้วหลังเดินเดินหน้าลักษณะเนี้ยมันร้องเพลงเหมือนกันเลยฟังดูแล้วก๊ก๊๊จ๊กจ๊จ๊กจ๊กจ๊จ๊มันแคแค่มีจังหวะคองบันเหมือนกันเออฟังแล้วอืบ้านเราไม่ได้ยินว่านกคนนี้ว่าแต่ไม่รู้นกอะไรแต่ไม่เท่าเท่ากันนกใหย่ๆกันนกปูปลาหอยเนี่ยเหมือนกันแืมแต่มันร้องเป็นคู่เหมือนกันนะรับกันเสียงดีเพราะเหมือนกันนกก็่านั้วงพ่อยังชอบใจอยู่นะ อยู่ที่วัดธนดุงวัดยวนพึ่งถ้าใครไปเลยสังเกตจะได้ยินนกเนี่ยมันจะร้องเป็นคู่เป็นคูเ่เสียงเพราะเดเนี่ธรรมชาติในป่าสมัยก่อนเนี่ยเขาพูดถึงสีทนตามหานางมโนราในสมัยนั้ น, นได้ยินนกกระเวกมันร้องเน่ขนาดสีทนไม่มีผ้าผ้าขาดดุยแล้วก็ยังอยู่ในป่า พอได้ยินเสียงนกกระเวกร้องเลยอย่างร้องลําทําเพลงคนเดียวนึกนึกกข่บเหมือนกันนะเอสรุปแล้วก็คือมนุษย์ของเราเนี่ยมันมัวมองลุ่มหลงในอารมณ์ของตนเองอตัวเองคิดขึ้นมาแล้วกัหลงอปล่อยไปตามอารมณ์ไม่ได้ห้ามไม่ได้ดูว่าเนี่ยมันเป็นอารมณ์ปลอยไปทางอารมณ์สีทนก็คงจะคิดถึงนางมโนราเสร็จแล้วก็ จะยินเสียงนกกระเวกร้องอนะคงจะคิดถึงนางมโนลานะเจนนั้นกัร้องลำมทำเพลงคนเดียวกันอันนี้พวกเราดูให้ดีนะอย่าไปปล่อยตามอารมณ์สัญญาสังขารวิญญาณมันอยู่ในจิตในใจให้ห้ามมันไว้อย่าไปคิดถ้าคิดอย่างนั้นไม่ได้นะตัวกิเลสนะมันลุ่มหลงมัวเมากับราคะโทสะโมหะนะนะอย่าภาษานกบัคร้องตามภาษาของมัน แต่เรานะไปตีความหมายให้มันนะแต่มันลุกความหมายคนไม่รู้จะพูดยังไงร้องยังไงแต่มนุษย์เนี่ยมันหลายเรื่องจริงๆนะอย่างที่หลวงพ่อพูดนะนะต่อนนี้ไปรับพรอนุมโมทนาให้พร